ป่านาคพน้อยเพราะนั้นการศรัทธา ญ, ญาติโยมหมู่ใดกลุ่มใดก็าตามได้รับรู้รับทราบที่จะทําบุญมาร่วมทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผูมติต่อภูอมิอุปกระณ์อย่างพวกเราท่านพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาไม่รู้ว่าอยู่มาหลายปียังไม่เคยทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ของตนเองเรือบวงสาคนาญาตของตนเอง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 กลัวกลัวคันคูลงลงพ่อขาดไหมเออกลัวคันคูหลวงตาขาดน้ำก็เลยฝนก็เลยไม่ดีเลยเอะไนะตอกพ่อมาลมหล้อมมาแล้วสามปีเลยเแต่ปีนี้หลวงหลวงพ่อทำคูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฝนคงจะดีแนละ้วลูกหลานนะแต่จะจะพูดเล่าให้ฟังอีกพอหลวงพ่อเดินไปไปเห็นรอยหมูวังรอยแก้งบงังที่ไปดูป่านะไป เ, เห็นหมูขึ้นมาแล้ว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 เอเอหลวงพ่อก็เลย ถ, ถกออกมาเลือดอาบเลยสิเลือดโอ้หมดไปหลายหยดเหมือนกันนะมันกินหลายวันสีดําอำจากนั้นเลยเอายาใส่เอาพวกยาหมองยาฟ้าทลายโจรใส่เข้าไปนี่แหละอหลวงพ่อแล้วก็ฝันแต่ฝันอยู่แต่มันไม่แม่นเหมือนกันเถอะตามไม่จริงมันน่าจะกัด